เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> เพื่อที่จะได้นำมาไปปฏิบัต <c oughs> ิเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆและสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ให้แก่จิตใจตามลำดับต่อไปธรรมะที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ ก็คือเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนไม่อยากมีไม่ต้องการจะมีด้วยกันแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามาเกิดในโลกนี้แล้วไม่ว่าจะรวยจะจนจะใหญ่หรือจะเล็กจะฉลาดหรือจะโง่ทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ ก็จำเป็นที่จะต้องเจอด้วยกันทุกคนสิ่งที่ทุกคนต้องเจอคืออะไรก็คือความทุกข์นี่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าตั้งแต่เกิดมานี้ไม่เจอกับความทุกข์เลยทุกคนนี้ต้องเจอกับความทุกข์ทั้งนั้นไม่มีข้อยกเว้นตั้งแต่เกิดจนตายก็ว่าได้ จะต้องเจอกับความทุกข์ชนิดต่างๆอยู่เรื่อยๆแต่ความทุกข์ต่างๆเหล่านี้มีความทุกข์บางอย่างที่เราสามารถที่จะกาจัดได้ที่จะทำให้มันหมดสิ้นไปได้แล้วก็ความทุกข์บางอย่างเป็นความทุกข์ที่เราจำเป็นที่จะต้องอยู่กับมันไปให้ได้ ถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องของความทุกข์และรู้จักวิธีปฏิบัติกับความทุกข์ต่างๆเราก็จะสามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้ความทุกข์นี้ก็มีแบ่งเป็นสองชนิดด้วยกันคือความทุกข์ทางร่างกายและความทุกข์ทางจิตใจทุกข์กายกับทุกข์ใจ ความทุกข์ทางร่างกายกับความทุกข์ทางด้านจิตใจนี้มีที่มาที่ไปที่ต่างกันไม่เหมือนกันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้รู้ว่าความทุกข์ทางร่างกายนี้เกิดจากอะไรและเราสามารถที่จะกำจัดมันได้หรือไม่เช่นเดียวกับความทุกข์ทางใจ เราก็ต้องรู้จักว่ามันเกิดจากเหตุอะไรและเราสามารถกําจัดมันได้หรือไม่ความทุกข์ทางร่างกายนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกันคือความบกพร่องทางร่างกายเช่นเวลาร่างกายขาดอาหารก็เกิดความทุกข์คือความหิวขึ้นมา ขาดน้ำหรือขาดปัจจัยสี่ขาดที่อยู่่าศัยขาดยารักษาโรคเวลาที่เกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาอันนี้เกิดจากความขาดแคลนความทุกข์ทางร่างกายนี้มีหลายสาเหตุนอกจากการขาดแคลนทางปัจจัยสี่แล้วก็ยังมีความทุกข์ มีเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ทางร่างกายได้เป็นทุกข์ที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆทุกข์ที่เกิดจากความแปรปรวนของสรรพสิ่งว่าล้อมของโลก ค, ความทุกข์ที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีสงคารามมี มีมีภัยชนิดต่างๆซึ่งความซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้บางอย่างเราก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้คาจัดมันได้แต่บางอย่างมันก็จัดการกับมันไม่ได้คาจัดมันไม่ได้ดังนั้นต้นเหตุของความทุกข์ทางร่างกายนี้จึงเป็นเหตุที่ เราไม่สามารถที่จะไปป้องกันไม่ให้มันเกิดได้เพราะมันไม่อยู่ในวิสัยของพวกเราเราอาจจะแก้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ในบางอย่าง<ม>บางเวลาเช่นเวลาที่เราหิวน้ำหิวข้าว<ม>เราก็หาข้าวมากินได้หาน้ำมาดื่มได้ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าเป็นโรคที่รักษาได้<ม>เราก็หายาห า, ยาหมอให้มารักษาโรคนี้ได้แต่ถ้าไปเจอโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ ม, มันก็ไม่สามารถทำให้ความทุกข์ทางร่างกายที่เกิดจากโกาครคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่ได้นี้ให้มันหายไปได้ ม, มันก็ต้องอยู่ของมันไปจนกว่ามันจะหายเอง ฉะนั้นทร้ก็คือความทุกข์ของทางร่างกายนี้พระเจ้าทรงตรัสว่ามันมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนมันเกิดจากหลายสาเหตุเป็นอนัตตาเหตุต่างๆนี่เราไม่สามารถที่จะไปจัดการกับมันได้กาจัดมันได้เ<ม>พราะมันอยู่เหนือวิสัยของของเราที่จะจัดการมันได้ เมื่อมันเกิดบางทีมันก็ต้องอยู่กับมันไปทําอะไรไม่ได้ถ้าเราไปมีความอยากที่จะไปกำจัดความทุกข์ต่างๆของร่างกายให้หมดสิ้นไปถ้าเราทําไม่ได้มันก็จะทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้นอกจากจะมีความทุกข์ทางร่างกายแล้ว ถ้าเราไม่รู้จักวิธีไม่รู้จักความจริงของของความทุกข์ของร่างกายว่าความทุกข์บางอย่างเราจัดการกับมันไม่ได้กาจัดมันไม่ได้แล้วถ้าเราเกิดไปมีความอยากที่จะไปจัดการกับมันมันก็จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมานี่ก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งคือความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจนี้ ก็มีสาเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาแต่สาเหตุของความทุกข์ทางใจนี้ต่างจากส า, สาเหตุของของความทุกข์ทางร่างกาย mm. ทางความทุกข์ทางใจนี้ mm. พระเจ้า mm. ได้ทรงตัดสรู้้ได้ทรงค้นพบว่ามันเกิดจากความอยากของใจเอง mm. อยากที่จะไปแก้ความทุกข์ทางร่างกายที่แก้ไม่ได้ mm. พอแก้ไม่ได้ก็เลยทําให้เกวดความทุกข์ทางใจขึ้นมา อ, มอยากจะให้ร่างกายเป็นเป็นเป็นร่างกายที่ไม่มีความทุกข์ก็ทําไม่ได้อยากให้ร่างกายไม่แก่มไม่เจ็บไม่ตายก็ทําไม่ได้แต่ก็ยังมีความอยากอยู่ เพราะอยากจะให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่มีจุดจบมีการเกิดแล้วมันก็ต้องมีการตายตามมาในที่สุดไม่ช้าก็เร็วความทุกข์ทางใจนี้พระพุทธเจ้าทรงทรงปฏิบัติทรงศึกษาและสามารถ กำจัดความทุกข์ทางใจได้หมดแต่ความทุกข์ทางร่างกายนี้พ่อองค์ไม่สามารถกำจัดได้ไม่มีใครสามารถกำจัดมันได้หมดบางครั้งบางเวลาก็กำจัดมันได้แต่ก็มันก็มีความทุกข์ที่กำจัดไม่ได้เช่นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายความทุกข์ทางร่างกาย นี้ไม่มีใครไปทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่ได้ทำให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ปวดไม่ได้ทำให้ร่างกายไม่ตายไม่ได้ความทุกข์ทางร่างกายนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ต้องเจอเพราะร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายแต่ความทุกข์ทางร่างกายนี้มันเป็นความทุกข์ที่ ไม่ไม่มากไม่ใหญ่โตเหมือนกับความทุกข์ทางใจถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนน้ําหนักก็เหมือนหนึ่งต่อสิความทุกข์ทางร่างกายอาจจะมีน้ําหนักหนึ่งเท่ากับหนึ่งเท่ า, ทาส่วนความทุกข์ทางใจนี้จะมีน้ําหนักเท่ากับสิเท่าสําหรับผู้ที่สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ทางใจได้ ความทุกข์ทางร่างกายที่มีเพียงหนึ่งเท่านี้จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดสามารถอยู่กับความทุกข์ทางร่างกายได้เพราะได้กําจัดความทุกข์ที่มีน้ําหนักที่มีกําลังที่มากกว่าสิบเท่าด้วยกันให้หายไปได้ความทุกข์ใจของพวกเรล่านี้มันเป็นความทุกข์ที่หนักหนาสาหัส มากกว่าความทุกข์ทางร่างกายถ้าเราสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ทางใจได้<ม>ก็เท่ากับเรากำจัดความทุกข์ส่วนใหญ่ส่วนมากได้ส่วนที่เหลือนั่นก็เป็นส่วนเล็กน้อยเป็นส่วนที่เราสามารถอยู่กับมันได้<ม>ก็คือความความ ความทุกข์ทางร่างกายสำหรับพระพุทธเจ้าและสำหรับพระอรหันต์ตาวกทั้งหลายท่านไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ทางร่างกายร่า <c oughs> งกายจะอดยาขัดแคลนร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ร่า <c oughs> งกายจะเจอภัยอะไรต่างๆใจของท่านนี้ไม่ทุกข์กับมันเพราะท่านรู้จักวิธี ดับความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยากของใจที่ไปอยากให้น่างกายนั้นไม่ทุกข์เพราะท่านพิจารณาด้วยปัญญาและรู้ว่าความทุกข์ทางร่างกายนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้ทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระอรหันตสาวกก็หลีกเลี่ยงความทุกข์ทางร่างกายไม่ได้ จะต้องเจอกับความทุกข์ทางร่างกายแต่ว่าใจของท่านนี้ไม่ได้มีความอยากที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้นมาเพราะท่านรู้ด้วยปัญญาว่าความทุกข์ทางร่างกายนี้มันเป็นมันเกิดจากปรากฏการณ์หรือเหตุปัจจัยทางธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปห้าม หยุดมันได้มีทางเดียวเท่านั้นถ้าไม่ต้องการที่จะเจอกับความทุกข์ทางร่างกายก็คือต้องไม่มีร่างกายก็คือต้องไม่มาเกิดเท่านั้นไม่มาเกิดใหม่ถ้าเราสามารถหยุดการเกิดได้เราก็จะไม่มีร่างกายอันใหม่เมื่อเราไม่มีร่างกายอันใหม่ เราก็จะไม่มีทุกข์ทางร่างกายกต่อไปทุกทางใจก็จะไม่มีเช่นเดียวกันเพราะถ้าเราสามารถหยุดความอยากต่างๆที่พาให้เรามาเกิดได้มามีร่างกายอันใหม่ได้ mm hmm. เมื่อไม่มีความอยากของเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ต่อไปใจก็เป็นใจที่สงบใจที่เต็มเปี่ยนไปด้วยบมมัลมัสก์ ความสุขที่เกิดจากการไม่มีความทุกข์ความสุขที่เกิดจากการกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่แหละคือเรื่องของความทุกข์สองอย่างด้วยกันที่พวกเราทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้จะต้องเจอกันและเจอกันอยู่มาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้แต่มีความทุกข์ ส่วนทางใจนี้เราสามารถที่จะกาจัดมันได้คํทาทุกข์ทางร่างกายนี้เราก็อาจจะทำให้มันเบาบางได้กาจัดมันได้บางครั้งบางเวลาแต่เราก็จะไม่สามารถที่จะไปกาจัดมันได้ตลอดเวลามันต้องมีเวลาที่ร่างกายจะต้องเป็นอะไรขึ้นมา บางทีเราก็แก้แก้ความทุกข์นั้นได้ด้วยการรักษาพยาบาลแต่บางทีก็แก้ไม่ได้แต่ใจที่เข้าใจความจริงของความทุกข์ของทางร่างกายนี้จะไม่สร้างความทุกข์ทางใจให้เกิดขึ้นมาจะรู้ว่าจะประหยักให้ความทุกข์ทางร่างกายที่เราไม่สามารถที่จะ กำจัดให้มันหายไปได้นั้นให้มันหายไปได้ก็จะไม่มีความอยากที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจใจก็จะยอมรับกับความทุกข์ของทางร่างกายได้และของสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยได้นอกจากความทุกข์ที่เกิดจากทางร่างกายแล้วเราก็ยังไปทุกข์กับ ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆกับบุคคลต่างๆที่ก็เป็นเหมือนกับร่างกายก็คือเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีการเจริญได้มีการเสื่อมได้มีการเกิไดกกได้มีการดับได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้เป็นของชั่วคราวทั้งนั้น เ็นของที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกับร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เราหามาได้มันก็จะตายตามร่างกายไปเวลาร่างกายตายไปทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เคยเป็นของเรามันก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปเราไม่สามารถที่จะเอาอะไร จากโลกนี้ไปกับเราได้เราคือจิตใจเราเป็นผู้ที่มาเกิดมามีร่างกายแล้วก็มาทุกกับร่างกายทุกกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองทุกกับบุคคลต่างๆทุกกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะความอยากของเราเราอยากจะให้มันไม่ทุกข์เราอยากจะให้ความทุกข์อยากสิ่งต่างๆหายไป แต่มันไม่หายเพราะมันเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเจริญมีการเสือ่อมมีการเกิดมีการดับความทุกข์ทางใจนี้เกิดจากความไม่เข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่เข้าใจถึงความทุกข์ทางร่างกายว่า ความทุกข์ทางร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปกาจัดมันได้หมดบางเวลาเราก็กาจัดมันได้บางเวลาเราก็กาจัดมันไม่ได้<บ>เวลาที่เรากาจัดมันไม่ได้<บ>ก็เป็นเวลาที่เรามาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราด้วยความอยากจะให้มันหายไปอยากจะให้มันหมดไป แต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้ <c oughs> แต่ถ้าเราได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติตามคําสั่ง <c oughs> คําสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปเราก็จะสามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยากต่างๆของใจได้ความอยากต่างๆที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจนี้เราสามารถกําจัดมันได้หยุดมันได้เ <c oughs> มื่อเราหยุดมันได้ ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะไม่มีภายในใจของเราแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียเกิดจากการพลาดพาดนี้มันก็ยังต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแต่มันจะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจ<ม>เสียอะไรก็เสียไปถ้าใจมีปัญญามีสติ ม, มีความสามารถที่จะตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่น กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ <Yeah. S 2> อะไรจะมาก็ปล่อยมันมาไป <Yeah. S 2> อะไรมันจะไปก็ปล่อยมันไป <Yeah. S 2> ถ้าใจปล่อยวางได้ <Yeah. S 2> ตัดความอยากต่างๆได้ <Yeah. S 2> ใจก็จะไม่ทุก <Yeah. S 2> กับความทุกข์ทางร่างกาย <Yeah. S 2> และความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราลัก <Yeah. S 2> เราชอบไปได้ yeah. นี่คือสรุปก็คือความทุกข์สองรูปแบบนี้ความทุกข์ที่เราสามารถกําจัดได้ก็คือความทุกข์ทางใจซึ่งเป็นความทุกข์ที่มีน้ําหนักรุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกายและความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆไป<ม>เวลาที่เรากําจัดความทุกข์ทาง ทางใจได้แล้วความทุกข์ที่เกิดจากทางร่างกายนี้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ใจสามารถอยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนไม่ทรมาน <c oughs> ดังนั้นสิ่งที่เราต้องมาทำกันก็คือเราต้องมาดับความทุกข์ทางใจนันความทุกข์ทางร่างกายเราก็ดับมันไปตามตามเหตุตามปัจจัยเช่น <c oughs> <c oughs> ร่างกายหิวอาหารเราก็หาอาหารให้มันกินร่นางกายหิวน้ำํำเราก็หาน้ำให้มันกินร่นางกายเจ็บไข้ได้ปว่วยเราก็รักษาพยาบาลมันไปทำไปตามมีตามเกิดตามกำลังของเราถ้าหาได้หาข้าวมากินได้ก็กินไปถ้าหาไม่ได้ถ้าจะต้องอดก็ต้องอดไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่แน่นอน บางทีเราก็อาจจะมีความสามารถที่จะหาสิ่งที่จะมาเยียวยาความทุกข์ทางร่างกายได้แต่บางครั้งเราก็ไม่มีความสามารถพอเราก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าเราไม่มีความอยากที่จะเยียวยามันเมื่อเราไม่สามารถเยียวยามันได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากลำบากของร่างกาย แต่ถ้าเรามีความอยากที่จะเยียวยาทั้งๆที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มันก็จะสร้างความทุกข์สร้างความทรามามนให้กับใจเพิ่มขึ้นใหมันซึ่งมันเป็นความทุกข์ทรามานทางใจนี่แหละเป็นสิ่งที่โหดร้ายทารุณกว่าความทุกข์ทางร่างกายและมันเป็นเหตุที่จะทำให้ใจนี้คิดไปทำอะไรที่ไม่ถูกคิดไปแก้ปัญหาโดยไม่ถูก เพ็นบางคนไม่สามารถแก้ปัญหาทางร่างกายได้อยากจะให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติสามารถทำอะไรได้แต่ร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บอาจจะพิกลพิการ<ม>ก็เลยคิดสั้นไปคิดวิธีว่ากำจัดความทุกข์ของร่างกายด้วยการไปฆ่าร่างกายซึ่งปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายนี้มันไม่ดุลแรง มันไม่หนักหนาสาหัสแต่ปัญหาก็คือความทุกข์ทางทางจิตใจที่เกิดจากความอยากที่จะไปแก้ปัญหาทางร่างกายที่แก้ไม่ได้เท่านั้นเองอันนี้แหละเป็นตัวที่ทารุณโหดร้ายก็คือความทุกข์ทางใจที่ทำให้ใจคิดทารุณโหดร้ายด้วยความหลงผิดคิดว่าวิธีแก้ความทุกข์นี้ก็ต้องแก้ด้วยการฆ่าตัวตายเป็นต้น แต่การฆ้าตัวตายนี้ก็ไม่ได้ไปแก้ตัวปัญหาตัวที่มาสร้างความทุกข์ที่ทารุณโหดร้ายให้แก่ใจตัวที่มาสร้างความทุกข์ทารุณโหดร้ายให้แก่ใจนี้ก็คือความอยากของใจที่อยากจะไปแก้ความทุกข์ทางร่างกายที่แก้ไม่ได้แทนที่จะยอมรับความจริงแล้วอยู่กับความอยู่กับความจริงไปอยู่กับความความทุกข์ทางร่างกายไปอยู่กับความ รุปพลภาพอยู่กับความพิการของร่างกายไปใจก็ไม่ทุกข์ใจก็มีความสุขได้อยู่กับความพิการของร่างกายได้ร่างกายเดินไม่ได้ก็นั่งรถเข็นไปนั่งรถไม่ได้ก็นอนไปแต่ใจนี้สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดถ้ารู้จักวิธีรักษาใจ ด้วยการกำจัดความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจที่มาสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ใจนี้ได้ใจก็จะไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าและผ้าหลานตาสาลกนี้ท่านแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ทางใจได้หมดส่วนความทุกข์ทางร่างกายนี้ท่านก็แก้ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ ว่ามันเป็นความทุกข์แบบไหน mm hmm. ความทุกข์ที่แก้ได้ก็แก้ไปความทุกข์ที่แก้ไม่ได้ก็อยู่กับมันไปจนกว่าร่างกายมันจะตายไปพอร่างกายตายไปความทุกข์ของทางร่างกายก็หมดไปแต่ใจของท่านที่ไม่มีความอยากที่จะไปแก้ความทุกข์ทางร่างกาย mm hmm. ก็จะไม่ต้องมีการกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไป mm hmm. เมื่อไม่มีการเกิดไม่มีร่างกายอันใหม่ความทุกข์ทางร่างกายก็ไม่มีเมื่อไม่มีความทุกข์ทางร่างกายใจก็จะไม่มีความทุกข์ตามมา <S <S ใจก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดใจนี้เป็นของไม่ตายไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้เป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ผู้คิดถ้า ถ้ายังมีความอยากที่จะแก้ปัญหาทางร่างกายอยู่ยังอยากใช้ร่างกายเป็นเป็นวิธีเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ใจก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายอันนี้ตายไปแล้วใจที่ยังต้องการที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆก็จะไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ หลังจากที่ต้องไปรับผลบุญผลบาปในนรกหรือในสวรรค์ก่อนขึ้นอยู่กับว่าได้ทำบาสมากกว่าบุญหรือบุญมากกว่าบาปถ้าได้ทำบุญมากกว่าบาปเวลาที่ร่างกายตายไปใจที่จะเป็นดวงวิญญาณนี้ก็จะไปอยู่ในสวรรค์ไปรับผลบุญผลของบุญแล้วถ้าทำบาสมากกว่าบุญ เ่ลาที่ร่างกายตายไปโยวิญญาณก็จะไปไปนรกไปอบายหรือไปเกิดเป็นสัตว์ใิราชาจนกว่าอํานาจของบุญและของบาสนั้นหมดกำลังลงใจก็จะไปรับร่างกายอันใหม่ของมนุษย์มาเกิดใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายของมนุษย์นี้มาหาความสุขเลยหาแล้วเพราะใจยังมีความอยากหาความสุขอยาก สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็คือราบยศสารเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆนั่นเองการที่จะหาความสุขจากโลกประธรรคือราบยศสารเสริญสุขได้จําเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายต้องมีตาไว้ดูรูปมีหูไว้ฟังเสียงมีจมูกไว้ดมกลิ่นมีลิ้นไว้ลิ้มรสและมีนั่งกายไว้สัมผัสกับ สิ่งที่มากระทบทางร่างกายก็เกิความความความร้อนความเย็นเป็นต้นที่จะให้ความสุขหรือให้ความทุกข์กับร่างกายเป็นสิ่งที่ใจยังต้องต้องมีอยู่ถ้ายังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้ถึงโทษของการที่มีความอยากที่จะมีร่างกาย เป็นเครื่องมือในการหาความสุขยังไม่เห็นโทษของการไปหาความสุขจากราบยศเสริญจากลูกเสียงกิริยลดโพธิพัชชนิดต่างๆว่ามันจะพาให้ไปสู่ความทุกข์ทางร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะร่างกายมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่จะสุขสบายไปตลอดเวลามันมีโอกาสที่จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ แทบทุกเวลานาทีเลยถ้ามันขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปขาดลมหายใจไปนี้ไม่กี่นาทีมันก็ตายได้ขาดน้ำไม่กี่วันมันก็ตายได้ขาดอาหารมันมีเรื่องของความทุกข์ของทางร่างกายมามามาปรากฏอยู่เรื่อยๆถ้ามีร่างกาย<ม>การที่เราไปพึ่งร่างกายไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั้น ก็เท่ากับการไปหาความทุกข์จากทางร่างกายนั่นเองความสุขที่ได้จากการหาผ่านทางร่างกายนี้มันก็เป็นความสุขชั่วประเดียวประเดาวชั่วครัง้งชั่วคราวได้มาแล้วมันก็หมดไปเหมือนควันไฟไปดูอะไรมาก็เกิดความสุขไปพอเลิกดูความสุขนั้นก็หายไปได้ยินได้ฟังอะไรที่เกิดความสุขพอ พอเลิกจากการได้ยินได้ฟังความสุขนั้นก็หายไปมันมันก็เลยทําให้เกิดความผูกพันเกิดความติดกับรูปเสียงกลิ่นรสผดภพชนิดต่างๆเพราะเวลาที่ได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดภพที่ถูกอบถูกใจก็เกิดความสุขใจชื่อขณะที่ได้เสพได้สัมผัสแต่พอเลิกเสพเลิกสัมผัส ความสุขที่ได้มันก็จางหายไปมันก็เลยผลิตมันก็เลยสร้างความอยากที่ยจะได้ความสุขแบบนั้นเองก็ต้องคอยไปหาลูกเสียงเกล็ดรอดปวพประชนิดต่างๆมาคอยเสพอยู่เรื่อยๆซึ่งก็เป็นเหมือนยาเสพติดนั่นเองยาเสพติดเราก็คงรู้ว่าถ้าเราติดแล้วนี่มันเราต้องเสพมันอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาเราเสพมันเรามีความสุข แต่พอเวลาเราไม่ได้เสพมันความสุขนั้นก็จะหายไปพอความสุขหายไปใจเราก็ู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ว, ดว้าเหวเศร้าส้อยงอยเหงาขึ้นมาก็ทำให้เราต้องไปหามันมาเสพอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือความสุขที่เราหากันผ่านทางร่างกายคือเป็นความสุขแบบยาเสพติดนั่นเองแล้วร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือมันก็เป็นเครื่องมือที่ไม่แน่นอน บางทีมันก็แข็งแรงสมบูรณ์สามารถเป็นเครื่องมือให้กับเราได้สามารถพาเราไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดหรายต่างๆมอเสพมาให้ความสุขกับเราได้แต่บางเวลามันก็เกิดการบกพ้่องขึ้นมาได้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ปวดบางทีก็เป็นน้อยบางทีก็เป็นมากมบางทีก็เป็นถึงขัน้นพิกลพิ ก, การขึ้นมา พอเกิดมีปัญหากับเครื่องมือคือร่างกายที่จะพาเราไปหาความสุขที่เราไม่สามารถหาได้เวลานั้นเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาทรงเห็นก่อนที่พระ อ, องค์จะเสด็จออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรมพระ อ, องค์ก็ทรงเห็นร่างกายว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ที่เราไม่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยได้ตลอดเวลาเพราะท่านก็ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายที่เราอาศัยเป็นเครื่องมือหาความสุขนี้มันเป็นของไม่แน่นอนมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเวลามันเสื่อมมันหมดมันก็จะมาสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจพร อ, องค์ก็เลยส่ง คิดหาวิธีหาความสุขแบบอื่นดีกว่าก็ไปเห็นนักบวชก็ได้ยินว่านักบวชนี้เขามีวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือคือความสุขที่เกิดจากก า, ารทำใจให้สงบนักความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปพระองค์ก็เลยทรงตัดสินใจเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจาก พระราชโอรสของเจ้าชายที่มีรูปเสียงกลิ่นรสอันปราณีตมาให้เสพอยู่เรื่อยๆมีทรัพย์สมบัติมีปราสาทสามฤ ด, ดูมีบริษัทมีบริวารอะไรต่างๆมาห้อมร้อมมาคอยรับใช้ให้ความสุขแต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวต่อไปเวลารั่งกายแก่ร่างกายเจ็บน่างกายตายนี่ ความสุขเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเสด็จได้ต่อไปองค์ ก, ก็เลยทรงตัดสินใจออกบวชไปหาความสุขแบบนักบวชเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายต่อไปหลังจากนี้ได้ทรงศึกษาได้ทรงปฏิบัติอยู่หกปีก็ทรงตัดชโลคือตอนตอน้นตอนที่ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆนัน คบอาจารย์ต่างๆก็รู้จากวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ทําใจให้สงบให้เกิดความสุขได้ด้วยวิธีการใช้สติเพ่งดูอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง mm hmm. เช่นดูลมหายใจเข้าออก mm hmm. หรือบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อทําให้ใจนิ่งสงบ mm hmm. พอใจนิ่งสงบแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมา mm hmm. ความสุขที่ดีกว่าความสุข ที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ที่ดีกว่าการได้ลาบยศสรรเสริญมา mm hmm. แต่มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวสุขในขณะที่อยู่ในสมาธิสุขในขณะที่ใจสงบ mm hmm. แต่พอใจออกจากสมาธิมาใจก็เริ่มเรื่อมคิดปรุงแต่งพอมีทางคิดปรุงแต่งความอยากก็ตามตามมา mm hmm. พะเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย <S <S 1> <S 1> ความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาให ม, <S <S ม่ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าทำไมความทุกข์ใจถึงหายไปในขณะที่อยู่ในสมาธิแล้วทำไมความทุกข์ใจถึงกลับมาหลังจากที่ออกจากสมาธิมา <S <S ไม่รู้สาเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยาก พระพุเจ้าก็ตอนต้นก็ไม่รู้ก็เลยต้องไปศึกษาไปทดลองค้นคว้าหาดูจนในที่สุดก็สงคนพบความจริงว่าความทุกข์ทางใจนี่เกิดจากความอยากของใจเวลาใจเข้าไปในสมาธิใจหยุดคิดพอหยุดคิดความอยากก็ต้องหยุดตามเพราะความอยากนี่อาศัยความคิดเป็นเครื่องมือเช่นถ้าเราคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ไม่เกิดแต่เวลาออกจากสมาธิมามันก็เริ่มคิดแล้วมันก็มันเคยคิดถึงเรื่องอะไรเคยอยากกับเรื่องอะไรมันก็จะกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นอยากกับเรื่องนั้นเคยอยากจะบลาบยศเสริสริญก็ อ, อ, อ, อยากกับรูปเสียงกลิ่นมันก็จะกลับไปคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นพี่พระเจา้าก็ทรงพิจารณาว่า เวลาก็คิดถึงลาบยศสารเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงร่างกายคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นเระองคก็เลยทรงเห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากนี่เกิดจากความอยากได้ลาบยศสารเสริญได้ความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสปลดภัยความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตาย ความอยากเหล่านี้เป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์แล้วก็ทรงเห็นด้วยว่าสิ่งที่ใจอยากได้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถได้แบบถาวรได้แบบชั่วคราว<ม>เช่นลาบยศสารเสริญนักขังศพจากรูปเสียงกิ่นยามันก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป<ม>เวลาหมดไปใจก็อยากได้ใหม่ใจก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่มเช่นเดียวกับร่างกาย ร่างกายเมื่อมันเกิดมาแล้วก็ไปห้ามมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาในที่สุดก็สองคนเพราะว่าต้องตัดความอยากในทุกสิ่งทุกอย่างไปสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังมันนะแตม่มันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว เวลาได้มามันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันจากเราไปมันก็จะให้ความทุกกับเราแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปถ้ามันไม่จากเราไปเราก็ต้องจากมันไปเพราะไม่มีอะไรที่อยู่ในโลกนี้แบบยั่งยืนอย่างถาวรนับยศสารสุขกับรูป ก, กับร่างกายนี้มันก็มาเจอกันช่วงระยะหนึ่ง แล้ ว, ลวพอระยะเวลาผ่านไปเปลี่ยนไปมันก็ต้องจากกันไปต้องมีการพัดภาคจากกันอยู่เสมอสงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าความอยากในลาบยศสรรเสริญความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดความอยากในร่างกายล้วนเป็นของที่จะทำให้ใจทุกต่อไป เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวมั น, นไม่ใช่เป็นของถาวรไม่ใช่ได้มาแล้วมันจะอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดมันให้กับความสุขกับเราได้เป็นเพียงช่วงชวละระยะเวลาหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเสื่อมหมดไปพอมันหมดไปความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อันนี้พระพุทธเจ้าทรางพิจารณาเห็นเห็นตายรักในสิ่งที่อยาง เราก็เห็นว่าความทุกข์ใจนี้ก็เกิดจากความอยากที่อยากจะได้สิ่งที่เป็นไตรลักษณ์ที่เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา อ, อมคก็เลยหยุดความอยากพอหยุดความอยากได้ใจก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจก็จะสงบเย็นสบายเหมือนกับการเข้าสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิใช้ปัญญาทำใจให้สงบได้ด้วยปัญญา แต่ก่อนที่จะใช้ปัญญาทำใจให้หยุดความอยากได้ใจต้องมีกำลังต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้จะรู้เช่นตอนนี้ญาติโยมาจะรู้ว่า อ, อ๋อความอยากที่ทำให้ใจเราทุกข์แต่เวลาเกิดความอยากขึ้นมาจริงๆเราก็ยังหยุดความอยากไม่ได้ทั้งทั้งที่รู้ว่าอยากไปก็ทำให้เราทุกข์แต่ก็อดความอดที่จะหยุดความอยากไม่ได้เช่นอยาก <pouch. S 2> อยากไม่แก่ อ, <caffeine day. S 2> อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่สามารถหยุดความอยากไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยได้เพราะไม่มีกำลังที่จะหยุดเหมือนไม่สามารถทำใจให้นิ่งเฉยๆได้ต้องฝึกสมาธิก่อนให้ได้สมาธิก่อนให้หยุดความให้หยุดใจได้ก่อนหยุดความอยากให้ได้ก่อน แล้ขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญาสอนใจเวลาเกิดความทุกข์ก็ให้ค้นหาดูว่ากําลังอยากกับเรื่องอะไรอยู่แล้วถ้าพอค้นพบว่าเกิดกัดจากความอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็ทุกข์ใจขึ้นมาถ้าถ้าเราต้องการจะกําจัดความทุกข์ใจแล้วก็หยุดความอยากนั้นเสียหยุดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเรามีกําลังหยุดมันได้เราก็จะความอยากก็จะหายไป ความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็จะหายไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงศึกษาได้ทรงปฏิบัติตลอดระยะเวลาหกปีด้วยกันตั้งแต่การเสด็จออกบวชจนกระทั่งได้ตัดสรว่าเป็นพาาระอรหันต์ตาสมมาสามพุทธเจ้าองค์ได้ทรงเปลี่ยนวิธีการหาความสุขของใจ แทนที่จะไปหาความสุขจากสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์<อ>ก็คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศรลเสริญและรูปเสียงจิตรดโผฏฐพพชชนิดต่างๆหรือแม้แต่ความสุขที่ได้จากการเข้าสมาธิก็ก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันในที่สุดก็ต้องละหมดแล้วก็อยู่แบบไม่มีความอยากพอใจไม่มีความอยากใหญ่ก็จะ มีความสุขความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากมาสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจ น, นั่นเองอันนี้แหละเป็นวิธีหาความสุขที่แท้จริงที่ถูกต้องใครสามารถหาความสุขแบบนี้ได้แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเดกต่อไปไม่ต้องมามีร่างกายไม่ต้องมาทุกขกับร่างกาย ไม่ต้องมาทุกกับสิ่งต่างๆที่เราใช้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นยศเป็นตําแหน่งเป็นรางวัลอะไรต่างๆเป็นลูกเสียงกีนดนกชนิดต่างๆความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปก็ทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาแล้วก็ทําให้ต้องเกิดความอยากที่จะไปหามันมาใหม่ พอหาจากความเศร้าโศกเสียใจก็ไปหามากลับไปหามันมาใหม่โดยที่ลืมไปว่าหาอะไรมาได้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องดยการพัดผาาจากกันโดยความเศร้าโศกเสียใจตามมาอยู่เรื่อยๆถ้าตราบใดเรายังต้องการหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านรูปเสียงกลิ่นรสผ่านลาบยศสรรเสริญอยู่ซึ่งเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว เราก็จะต้องเจอกับความทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีหาความสุขเราถ้าเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้แทนที่จะไปหาความสุขจากร่างกายจากลาบยศสำนึกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์เรามาหาความสุขจากการทําใจให้สงบมาหาความสุขจากการหยุดความอยากต่างๆให้มันหมดสิ้นไปจากใจให้ได้แล้วเราจะได้ความสุข ที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นปมามังสุขถังนิบานาังปมามังสุขถังท่านบอกว่าความสุขของพระนิพพานนี้เป็นบามมสุขบาลมสุขก็คือเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรไม่มีวันเสื่อมพอได้มาแล้วก็จะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดออแล้วก็นิพพานนี้ก็คือ สภาพจิตใจที่สงบระ ง, งับจากตัณหาความอยากต่างๆนั่นเองถ้ากําจัดความอยากต่างๆที่มีในใจได้ใจก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาใจก็จะสงบไปตลอดแล้วใจก็จะรับความสุขที่เกิดจากความสงบตลอดโดยที่ไม่ต้องใช้น่างกายเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้ลาบยศสเส ร, เริญไม่ต้องใช้รูปเสียงก ล, ลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับใจ เพราะถ้าไปอาศัยร่างกายก็ดีอาศัยราบยศเสรรสริญอาศัยรูปเสียงกลิ่นน้อก็ดีก็จะต้องไปเจอกับความทุกข์เพราะมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวความทุกขที่มีการสินสส้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดลงความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจก็จะปรากฏขึ้นมาทุกครั้งไปห mm hmm. ลังจากที่พรุทธเจ้าได้ทรงตัดสัตวแล้ว mm hmm. ก็เลยเอาคํารู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอน ให้กับผู้ที่สามารถนำมไปปฏิบัติได้เบื้องต้นนี้พระองค์ทรงไปสอนพวกที่มีความสามารถที่จะหยุดความอยากได้ก่อนก็คือพวกที่เข้าสมาธิได้พวกที่เข้าฌานได้พวกนี้เขาหยุดความอยากได้เพียงแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาหยุดนั่นคืออะไรพอพระเจ้ามาบอกว่าสิ่งที่หยุดด้วยสมาธิก็คือความอยากนั่นเองเขาก็สามารถหยุดความอยากได้ โดยขณะที่ไม่ได้ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เวลาออกจากสมาธิมาพอใจเขาทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็พิจารณาหาหาสาเหตุก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยากเช่นอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอพิจารณาว่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ เ, เพียงแต่หยุดความอยากคุณต้องยอมรับว่าถ้าร่างกายมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามมันไม่ได้ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอย่าพยายากให้ในสิ่งที่มันจะเกิดไม่เกิดไม่ได้เท่านั้นเองก็หยุดความอยากได้ยอมรับความจริงได้ร่างกายมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปทุกคนร่างกายของทุกคนไม่มีใครยกเว้นจะต้องมีโครคภัยไข้เจ็บตามมาไม่ช้าก็เร็วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนแต่ใจจะไม่ทุกข์กับ เรื่องของงานกายจะไม่ทุกกับความเสื่อมเสียการสูญเสียของทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมีงานมีทางวันนี้พรุ่งนี้อาจจะยากจนนุ่งก็ได้ไม่มีใครรู้มียศมีตำแหน่งวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะหมดไปได้มีคนสรรเสริญยกย่องยืนยอในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะมีคนตำหนิติเตียนก่ออาหานินทาก็ได้ มีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะในวันนี้พวกนี้มันอาจจะหมดไปก็ได้ให้คิดอย่างนี้ให้พร้อมที่จะรับกับการสูญเสียพร้อมที่จะรับกับการชื่นสุดของสิ่งต่างๆถ้าพร้อมแล้วจิตใจก็จะไม่ผลิตความอยากขึ้นมาเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะมีความสุขปราศจากความทุกข<ม>์พอพระเจ้าไปทรงแสดงธรรม ความจริงอันนี้ให้กับพวกที่เป็นนักบวชพวกที่มีสมาธิแล้วมีศีลแล้วสามารถหยุดความอยากได้แล้วพอทรงสแสดงธรรมว่าความทุกข์ของเขาเกิดจากความอยากทังนั้นเองเขาก็สามารถกําจัดความอยากภายในใจในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมได้เลยหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากไม่แก่อย่ากไม่เจ็บอย่ากไม่ตายได้ใจเขาก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต่อไป หยุดความอยากที่จะมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะเเห็นว่าความอยากที่จะมีร่างกายนี้ก็จะพาให้เขาต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายต่อไปเขาก็หยุดได้หมดเขาสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยฟังธรรมกี่คนร้อยคนห้าร้อยคน พอพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเสร็จปั๊บคนที่ฟังธรรมทั้ง0้าร้อยคนก็บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาได้เพราะเขามีสมาธิมีกําลังที่จะหยุดความอยากแล้วก็ได้ปัญญาจากพุทธเจ้าที่ทรงบอกว่าตัวที่เป็นปัญหาก็คือความอยากหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจได้แล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปม เราก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยแต่สมัยนี้พวกเรามาฟังธรรมกันก็ฟังธรรมมันเดียวกันฟังธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงสอนในในสมัยพระพุทธกาลแต่ทําไมเราบรรลุกันไม่ได้เราหยุดเพราะเราหยุดความอยากไม่ได้ฟังแล้วเดี๋ยวเราเลิกไปเราก็ยังไปทําตามความอยากอยู่ยังอยากดูอยากฟังก็ยังไปดูไปฟังอยู่อยากจะไปเที่ยวไปกินไปเดินก็ยังประยัดทํากันอยู่ อยากจะเสกกาามก็ยังไปเสกกางมันอยู่อยากจะได้ราบยศเสริญก็ยังไปหาราบยศเสริญอยู่เพราะเราไม่ได้มีกำลังที่จะไปหยุดความอยากเหล่านี้ได้นั่นเองแล้วเราก็เลยต้องมาทุกกับสิ่งต่างๆที่เราไปอยากได้นังนั้นถ้าเราอยากจะหยุดความอยากได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องสร้างสมาธิขึ้นมาในใจให้ได้ก่อนต้องสามารถหยุดใจให้ได้ทาใจให้นิ่งให้สงบ หยุดความคิดปรุงแต่ง ต, ต่างๆให้ได้ก่อนถ้าเราสามารถหยุดหยุดใจได้ให้ใจนิ่งสงบเข้าสมาธิได้พ mm hmm. อเกิดความอยากขึ้นมาเราก็รู้เลยทันทีว่าอ๋อตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ mm hmm. ถ้าเราต้องการที่จะให้ความทุกข์ในใจเราหายไปก็หยุดตัวนี้หยุดตัวที่มาสร้างความทุกข์ก็คือความอยากนี้ mm hmm. แต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นเวลาเราทุกข์ใจเราไม่รู้ว่าเราทุกข์ใจเพราะอะไร เรากลักบไปโทษสิ่งภายนอกว่าเป็ น, เ, ปนเสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจเช่นไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าเขาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราก็เลยทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมาความจริงมันไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้เขาดีกับเราอยากให้เขาพูดดีกับเราทำดีกับเราพอเขาไม่พูดดีกับเราทำดีกับเราเราก็ทุกข์ใจขึ้นมา เรามองไม่เห็นว่าตัวที่มาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราก็คือความอยากของเราเนี่แต่ถ้าเราฝึกสมาธิได้นี่ทาใจให้นิ่งให้สงบได้พอเกิดความอยากขึ้นมาเราจะเห็นมันเราเราจะเห็นมันอย่างชัดเจนเลยว่าอ๋อตั ว, ต, วตัวนี้ตัวความอยากนี้ต่างหากที่ทําให้เราทุกข์ใจไม่ใช่เขาเขาพูดไม่ดีเขาทำไม่ดีนี่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขา พูดดีกับเราทําดีกับเราเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อน pint. ไม่พูดดีก็ไม่ว่าอะไรไม่ทําดีกับเราเราก็ไม่ว่าอะไรใจเราก็ไม่ทุกข์แต่ที่เราไปทุกข์ก็เพราะว่าเราไปอยากให้เขาพูดดีกับเราทําดีกับเราเพราะว่าคนบางคนเวลาเรารักเขาเราชอบเขาเราก็อยากจะให้เขาดีกับเราเหมือนกับเราดีกับเขาเรารักเขาเราก็อยากจะให้เขารักเราแต่พอเขาไม่รักเราขึ้นมาเราก็เสียใจเศร้าใจขึ้น ก็ความอยากของเราเท่นนีงอยากให้เขารักเราเหมือนเรารักเขาอยากชให้เขาดีกับเราเหมือนเราดีกับเขาเขาก็ไม่ดีกับเราเหมือนกับเราดีกับเขาแล้วก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารักเขาแบบไม่มีความอยากเราทําดีกับเขาโดยไม่มีความอยากเขาจะดีกับเราก็ได้ไม่ดีกับเราก็ได้เรารักเขาแต่เขาจะไม่รักเราก็ได้เวลาเขาไม่รักเราเราก็จะไม่ทุกเวลาเขาไม่ดีกับเราเราก็จะไม่ทุก ปัญหามันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่อยู่ที่ความอยากของเราแล้วเราจะมองไม่เห็นความอยากที่มีในใจของเรานี้ถ้าเราไม่ฝึกสมาธิเพราะเวลาฝึกสมาธินี้เราจะดึงใจให้กลับเข้ามามองที่ใจของเราตอนนี้ใจของเราไม่ได้มองที่ใจใจของเรามองไปข้างนอกมองไปทางทางรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไปก่อยความอยากก่อยความสุขความทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไป ไปเสพไปสัมผัสเราไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดทางใจที่เกิดจากความอยากของเราแต่เวลาที่เรามานั่งสมาธินี้เราจะดึงใจให้กลับเข้าเข้ามาข้างในดึงใจออกจากตาหูจมูกลิ้นกายดึงใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดทะพะให้กลับเข้ามาสู่ในใจของเราพอเรากลับเข้ามาสู่ในใจเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาใน ใ, นใจเราก็จะเห็นความสุขที่เกิดจากความไม่อยาก ความความไม่มีความอยากพอมีความอยากปั๊บใจเราก็จะเห็นความทุกข์ของใจปรากฏขึ้นมาทันทีพอเราเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเราก็หยุดมันเท่านั้นเองถ้าเรามีสมาธิเรามีกําลังที่จะหยุดเราก็จะหยุดมันได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็จะหยุดมันไม่ได้แล้วเราก็จะไม่รู้เสียด้วยซ้ําไปว่ามันเกิดจากความอยากของเราความทุกข์ของเราเรากลับไปโทษคนนั้นคนนี้โทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าทําให้เราทุกข์ แต่ความเป็นจริงนวมันเกิดจากความอยากของเรางนั้นก่อนที่เราจะใช้ปัญญาเพื่อมาหยุดความอยากต่างๆได้เราต้องฝึกสติฝึกนั่งสมาธิดึงใจให้เข้าข้างในให้ได้ก่อนดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในตอนนี้ใจของเราออกไปข้างนอกเพราะอะไรเพราะความอยากกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นตัวผลักให้เราออกไปความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิลล่นรสผงธรรพะ มันก็จะส่งให้บังคับให้ใจออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกกัน mm hmm. และเวลาไม่ได้เสกมันก็ทุกข์ก่อความทุกข์ใจมันก็ไม่รู้ว่าก่อจากความอยากอยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสมาเสก mm hmm. ถ้าเปลี่ยนใจว่าไม่อยากปับ mm ๊บ hmm. มันก็จะไม่ทุกข์แต่ทางที่จะเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนถ้าหาไม่ได้วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ต้องออกไปหาใหม่ mm hmm. ต้องหาให้ได้ ถ้าเวลาหาไม่ได้ก็ทุกไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะหาได้พอหาได้ก็เกิดความสุขชั่วคราวแล้วพอสิ่งที่หามาได้มันหมดไปหรือมันจากเราไปมันก็ทําให้เราทุกข์ใหม่แล้วก็ต้องไปหาใหม่อยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้ก็จะไม่มีไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นการแก้ความทุกข์ทางใจได้ความทุกข์ทางใจนี้ต้องแก้ด้วยการการเห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองน่าจะเห็นความอยาก ของใจได้นี้จะต้องฝึกสตินั่งสมาธิกันต้องดึงใจให้กลับเข้าข้างในใช่ไหมเวลาเราจะริญสตินี่เราพยายามหยุดกระแสของใจที่ส่งออกไปตามความคิดต่างๆเรามักจะคิดถึงคนนั้นคิดนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงลูกเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆ<ม>เราต้องดึงกระแสของความคิดเหล่านี้ให้กลับเข้ามาข้างในให้มันหยุดคิดพอ<ม>เราหยุดคิดปั๊บใจมันก็จะได้กลับเข้ามาข้างใน แล้วมันก็จะเริ่มเห็นใจเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในใจเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเห็นความสุขที่เกิดจากการทําให้ความอยากหายไปต่อไปมันก็จะไม่ต้องไปแก้ปัญหาภายนอกภายนอกคือลาบยศสละเสริมเลิศเสียงกลิ่นข้งเขาเป็นของเขาอย่างนี้มาตลอดเขาเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่เกิดมีเกิดมีเจริญมีเสือ่อมมีดับไปตลอดเวลาไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าใครก็ตามมาเกิดในโลกนี้จะเป็นใหญ่เป็นโตจะนัําเวยขนาดไหนก็ตามในที่สุดก็ต้องสูญเสียมันหมดไปไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยเพราะมันเป็นของชั่วคราวแล้วก็ความสุขที่ได้ก็หมดไปสิ่งที่เกิดตามมาก็คือความทุกข์ใจคือความเศร้าโศกเสียใจที่จะตามมาถ้าถ้าเราพยายามที่จะไปหาความสุข ไปดับความทุกข์ด้วยการไปหาสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้มานี้เราจะไม่สามารถทำได้ทำได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวและในที่สุดก็ต้องจบลงด้วยความทุกข์ใจเศร้าโศกเสียใจ mm hmm. วิธีที่แก้ปัญหาความทุกข์ใจของเรานีเราต้องแก้ด้วยการดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในให้ใจเรากลับมามองที่ใจเราตลอดเวลาให้เราเห็นว่าตอนนี้ใจเรากาลังอยากหรือไม่อยาก mm hmm. กาลังสุขหรือกลังทุกข์ mm hmm. พอมันทุกข์ปั๊บเราก็จะเห็นว่ามันเกิดจากความอยากเราก็กํำจัดความอยากนั้นไปพอํำจัดความอยากนั้นได้ความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาความทุกข์ก็จะหายไปเราอย<น>ู่ที่ใจจุดเดียวนี่นะ่ะดูสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยากกับการไม่มีความอยากเวลาทุกข์ก็รู้ว่าเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็ไปหยุดความอยากนั้นเสียเท่านั้นเองต่อไปเราก็จะหยุดความอยากต่า ง, างๆที่มีในใจเราให้หมดสิ้นไปได้ แล้วความทุกขใจของเราก็จะหายไปหมด mm hmm. เหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายที่ยังต้องเป็นไปต่อไปแต่มันก็เป็นความทุกข์ที่ไม่หนักหนาสาหาัส mm hmm. ถ้าเปรียบเทียบก็หนึ่งต่อสิบเราสามารถทําความทุกข์ที่มีกำลังสิบหายไปได้เห mm hmm. ลือแต่ความทุกข์ที่มีกำลังหนึ่งมันก็เป็นความทุกข์เพียงเล็กน้อย mm hmm. ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระนันตสาโกนี้ถ้าไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายเลย ร่างกายจะอดอยากขาดแคลนร่างกายจะอยู่แบบทุกข์ยากลำบากท่านอยู่กันอย่างสบายแต่ท่านอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ตามโคนไม้ท่านไม่มีบ้านมีเรือนอย่างพวกเราท่านไม่มีสิ่งอำนวยความสุขทางร่างกายเหมือนพวกเราแต่ท่านอยู่ได้อย่างสบายเพราะใจท่านไม่เดือด<ล> ان, ร้อนใจท่านไม่ทุกข์แต่พวกเราอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระสาวกแตไม่ได้เพราะใจเราจะทุกข์เวลาที่เราอยู่แบบ อัตคัดขัดสนอยู่แบบยากลำบากเพราะเรามีความอยากที่จะให้ร่างกายมันมีความสุขเราก็เลยต้องดิ้นรนหาความสุขให้กับร่างกายยิ่งดิ้นก็ยิ่งไปเจอกับความทุกข์เพราะว่าร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ม, มันจะต้องมีความมีมีความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนั่นเองัน้นสู้บางเปลี่ยนวิธีหา ความสุขทางใจดีกว่าเมื่อเรามีความสุขทางใจแล้วความทุกข์ทางร่างกายเราก็แก้ไปตามอัตภาพแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็อยู่กับมันไปจนกว่ามันจะจบลงร่างกายความทุกข์ทางร่างกายมันก็สิ้นสุดลงที่ความตายนั่นเองพอร่างกายตายไปความทุกข์ต่างๆก็หมดไปแต่ถ้าใจเราแก้ด้วยการกำจัดความอยากต่างๆให้หมดเราก็จะแก้ ปัญหาเรื่องของความทุกข์ทางร่างกายต่อไปได้เพราะเราจะไม่กลับมาเกิดเด็กต่อไปเราจะไม่มีร่างกายอีกต่อไปเรไม่มีร่างกายความทุกข์ทางร่างกายก็ไม่มีความทุกข์ทางใจก็ไม่มีเพราะไม่มีความอยากเพราะเราตัดความอยากทั้งหมดที่มีในใจเราหมดสิ้นไปได้แล้วอันนี้แหละเป็นวิธีที่เราจะแก้ปัญหาของความทุกข์ทั้งความทุกข์ทางร่างกายและความทุกข์ทางใจได้อย่างสิ้นเชิงความทุกข์ทางใจก็ด้วยการหยุดความอยากต่างๆ คำจัดความอยากให้หมดสิ้นไปความทุกข์ทางร่างกายก็คืออยากกลับมาเกิดอีกส่วนความทุกข์ของร่างกายที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันก็ปล่อยมันทุกไปแต่มันไม่เป็นเรื่องเป็นปัญหาหลายความทุกข์ของร่างกายมันเป็นมันเป็นของจิ๊บจอยเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ทางใจถ้าเราคำจัดความทุกข์ทางใจได้แล้วความทุกข์ทางร่างกายจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปก็อยู่กับมันไปจนกว่ามันจะตายไปเท่านั้น พอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็เป็นการ ท, าที่จะไม่มีการกลับมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปเพราะใจได้หยุดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์เ<ป>มื่อใจไม่ทุกข์ใจสงบใจมีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความพอไม่มีความอยากก็ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีทุกข์ทางร่างกายอีกต่อไป น, นี้คือวิธีปฏิบัติกับความทุกททางร่างกายและทางจิตใจของพระพุทธเจ้าและของพระอนันตาสาวกทั้งหลายที่ได้นำเอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาและขออนุโมทนาให้พรอยาถาวาริวาาตุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะยุโตชินัางเตตานางุปปปติ เอติตังปะติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพตุเรนตุสังกปาจันโทปนะวะโสยถามะนิโชติอาวะโสยถาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีติคายุโกภาวะ อาพิวาธนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรทมมาวาทานตตอายุวโนโสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบนามัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิทั้งหมดของทางเฟซบุ๊กนะคะมี415ท่านเจ้าค่ะ ทางยูทูบพระอาจารย์สามร้อยสิบเอ็ดท่านทางยูทู u ด e อกเตอร์วีชาแนลห้าสิบสองท่านวิดีโอออนไลน์ห้าท่านครับฮาส์หกท่านนาุติหนึ่ง้อยเก้าสิบสองท่านรวมทั้งหมดเป็นเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านเจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะน้ากุติค่ะ พัฒนาในอรหันตผลเป็นอย่างไรครับอ๋ออย่าไปรู้มันเลยให้มันเป็เพื่อนอย่ามันก็รู้เองค่ะคำถามต่อไปจากผู้รับฟังธรรมะกุติอาการของจิตรวมีลักษณะเป็นอย่างไรคะก็จิตนิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งมีความสุขที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวง คำถามจากผู้รับฟังธรรมะคุณนักกุติสสินข้อสามแค่คิดจะผิดสินไหมคะเพียงแต่คิดยังไม่ผิดต้องมีการกระทำถึงจะผิดคำถามจากอินบ็อกซ์เจ้าค่ะตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าแบบบุญมีจริง แล้วจิตใจเราตอนนี้อยากทำดีละความชั่วจึงปฏิบัติ ด, ดีแต่ทำยากครับแล้วทำไมต้องมีเวรกรรมติดตัวมาแล้วให้ตัวเรามาทำดีละความชั่วทั้งที่ตัวเรารู้ว่าทำดีจะเจอแต่สิ่งที่ดีตัวเราก็อยากหลุดพ้นสิ่งใดเป็นสิ่งกำหนดเรามาครับแล้วสิ่งนั้นที่กำหนดขึ้นมาจะรู้ไหมว่า วนเวียนไม่จบไม่สิ้นครับทําไมไม่กําหนดให้หมดเลยว่าว่างเปล่ามาไม่เกิดครับขอบพระคุณครับพระอาจารย์ก็มันเป็นเรื่องของของธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้เราไปกําหนดให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะอืม <c oughs> มีใครที่อยู่ที่นี่อยากจะถามไหมถ้ ย, ยอยากจะถามก็เชิญเข้ามาพูดได้มีมีคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k เจ้าค่ะจากคุณสุกัญญาน้อมกราบนมัสการถามเจ้าค่ะควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะละสักยทิฐิได้เจ้าค่ะก็ทำตัวให้เป็ น, เ ป, นเป็นภาคขี้ริ้วทำตัวให้ต่ำที่สุด ใครจะดา่าใครจะว่าอะไรก็สาธุรับไว้หมดอันนี้ก็เป็นการละสกายาทิฏฐิในขั้นต้นยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะอั น, นี้ y o u t u ู e ใช้ไม่ได้เหรอได้ตอนเลยอ่อ่าอ่อนแล สิ่งที่เราควรจะสนใจก็คือเรื่องของเรามากกว่าเรื่องของคนอื่นเรื่องของคนอื่นเขาเป็นอย่างไรมันไม่ได้ทำให้เราเป็นไปเหมือนเขาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเราไม่ได้เป็นไปตามที่พระเจ้าท่านเป็นเราอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชั่งสละราชสมบัติออกบวชเราอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าภาวนหันเราก็ต้องไป ออกบวชกันไปปฏิบัติธรรมกันเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพราะอารหันา์เราก็ไม่ต้องไปถามใครให้เสียเวลาเพราะการถามเรื่องราวเหล่านี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรามันไม่ได้ทําให้เราเป็นขึ้นมาให้เราทำวิธีปฏิบัติเพื่อให้เราเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพราะอารหันต์ดีกว่ า, <respond id. S 1> าการปฏิบัติเท่านั้นแหะที่จะเป็นเหตุ ท, ที่จะทำให้เราสามารถบรปปาารลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้ากันได้ แต่าการถามว่าพระอังหันเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรถามไปก็เสียเวลาเปล่าๆหรือความสงบจิตรวมเป็นอย่างไรอันนี้ก็ถามไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องไปปฏิบัติต้องถามว่าวิธีทำให้จิตรวมทำอย่างไรอย่างนี้เป็นคำถามที่ฉลาดต้องถามที่เหตุเพื่อให้เกิดผลที่เราต้องการไม่ใช่ถามว่าจิตรวมเป็นอย่างไร ตอบว่าจิตรวมเป็นยังไงก็เท่านั้นแล้วจะทํำยังไงจิตของคุณก็ไม่รวมอยู่ดี mm hmm. ถ้าต้องการให้จิตของคุณรวมคุณก็ต้องถามว่าทำอย่างไรให้จิตรวม mm hmm. วิธีที่จะทําให้จิตรวมก็คือต้องมีสติต้องเจริญสติคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้ที่ไม่จําเป็นอย่าต้องคิด ให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างนี้เราก็จะได้สติพอเรามีสติเวลานั่งสมาธิใจเราก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้เจ้าค่ะมีคําถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะจากคุณรัพิพันธ์อยากทราบว่าถ้าเราสวดมนต์แต่สวดผิดบางคําเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมานานจะทําให้การสวดได้ผลน้อยลงไหมคะ ผลสวดอยู่ที่ที่มีสติหรือไม่มีสติถ้ามีสติถึงว่าจะสวดผิดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้ใจเราไม่ลอยไปกับความคิดต่างๆให้เราอยู่กับบทที่เราสวดอยู่ไปถึงแม้จะสวดผิดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ว่าสวดแล้วใจลอยไปคิดเรื่องอื่นเวลาสวดก็ไม่รู้ว่าสวดอะไรถ้าสวดแบบนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเราต้องการสวดเพื่อให้ใจอยู่กับการสวด ให้ใจลอยไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเราต้องการสติต้องการให้ใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าเวลานั่งสมาธิใจจะสงบใจจะรวมใจจะต้องอยู่ในปัจจุบันถ้าไปอดีต ก, ก็รวมไม่ได้ไปอนาคตก็รวมไม่ได้ต้องตั้งอยู่ในปัจจุบันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับบทสวดมนตน์ไปใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ต่อไป เจ้าค่ะจากคุณต้องตาเจ้าค่ะถ้ามีค น, นกล่าวโทษใส่ร้ายเราให้เราเสียหายแต่เรากลับรู้สึกเมตตาเขาเราควรจะต่อสู้ดําเนินคดีเพื่อพิสูจน์ความจริงหรือเอาโหสิกรรมให้เขาแล้วเราควรวางใจอย่างไรดีเจ้าค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความจําเป็นจะต้องพิสูจน์หรือไม่พิสูจน์ถ้าจําเป็นจะต้องพิสูจน์เขาจับเราขึ้นศาลอย่างนี้เราก็ต้องไปพิสูจน์ี่ศาล แต่ถ้าเขาไม่จับเราไปพิสูจน์เขาพูดไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็กปล่อยมันผ่านไปอย่าไปเสียเวลากับเรื่องไร้สาระต่างๆเรื่องที่ไม่ใช่เป็นความจริงแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เขาฟอ้อ ง, องร้องฟ้องศาลจับเราขึ้นศาลนี้เราก็ต้องไปชี้แจงที่ศาลให้เขาทราบความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไร เชิญค่ะจากคุณเจกตบิวเจ้าค่ะนิสัยขี้วิตกกังวลสามารถแก้ไขได้อย่างไรคะและจะหายขาดได้ในชาตินี้ไหมคะก็ <Kindern. S 1> ให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอน า, าคตไม่มีอะไรแน่นอนพรุ่งนี้อาจจะฝนตกก็ได้แดดออกก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องต่างๆที่มันไม่แน่นอน่อยให้มันเกิดไปตามมีตามเกิดไป เจ้าค่ะจากคุณปอกราษนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบเรียนถามหลักในการปฏิบัติสำหรับการบวชใจในขณะที่ใช้ชีวิตในทางโลกและทำงานอยู่เจ้าค่ะก็รักษาศีลแปดไปแล้วก็จเจริญสติระหว่างวันทำอะไรก็ให้มีสติอยู่งานที่เราทำมีเวลาว่างเราก็นั่งสมาธิไป พิจารณาทางปาัญญาพิจารณาตายรักไปว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติทางใจสามารถปฏิบัติได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะ <Okay. S 2> จากคุณวันเพ็ญเจ้าค่ะ ขอถามเจ้าค่ะลูกมีลูกกาลังฝึกสติโดยใช้พุโทโธทําอย่างไรฝึกสติได้ง่ายขึ้นเจ้าค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เลยเจ้าค่ะก็ไม่ไม่พุโทโธเลยพุโทโธมันจะยากตรงไหนคําว่าพุโทโธเด็กก็ยังพูดได้เลยเอาพุโทโธพุธโทโธไปมันก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้สตินะที่มันไม่ได้ก็เพราะไม่ทําพุโทโธได้สองคำแล้วแล้วก็เลิกอย่างนี้มันก็ไม่ได้ ต้องพูดโทรไปเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงดูสิเราจะรู้สึกว่าใจน น, นิ่งใจสงบขึ้นมาทันทีเจ้าค่ะจากคุณสมัยค่ะกราบเยินถามเจ้าค่ะการดับความโกรธให้เร็วที่สุดทําอย่างไรเจ้าค่ะก้าวขาไม่โกรธเนี่ยเอามันโกรธปั๊บแล้วก็ไม่โกรธทีมันก็ดับได้ทันทียังไงเจ้าค่ะ จากเฟซบุ๊กกราบเรียนพระอาจารย์ผิดถูกประการใดขออภัยพระอาจารย์อยากทราบว่าสติกับผู้รู้คือธรรมชาติเดียวกันใหม่เจ้าค่ะสติเป็นตัวควบคุมผู้รู้อีกทีหนึ่งสติสติเป็นเหมือนเบรกของรถยนต์ผู้รู้เหมือนรถยนต์รถยนต์จะหยุดได้ต้องมีมีเบรกใจจะหยุดคิดได้ก็ต้องมีสติคนละตัวกัน จะคุณป้อมทิฏฐิมากราบขอถามพระอาจารย์ว่าสวดมนต์เสร็จแล้วอุทิศบุญให้กับมารดาญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรจะได้ไหมคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะก็ยังไม่รู้ว่าบุญเกิดหรือยังมีบุญหรือยังจากการสวดถ้ามีบุญก็อุทิศได้ถ้ายังไม่มีบุญก็ยังอุทิศไม่ได้ เจ้าค่ะจากคุณสมพิธเจ้าค่ะถ้าญาติกําลังจะเสียชีวิตเราเปิดเสียงสวดมนต์ให้ฟังจะมีประโยชน์ไหมคะก็แล้วแต่คนฟังเขาอยากจะฟังหรือไม่ถ้าเขาอยากจะฟังก็อาจจะมีประโยชน์กับเขาได้ทําให้ใจเขาสงบได้ถ้าเขาไม่อยากจะฟังเขาําคาญก็อาจจะเป็นทุกข์กับเขาได้เรนก็ต้องถามเขาก่อนว่าอยากจะฟังไม่ฟังไม่ใช่ยดีก็ยัดเยียดเข้าไปที่หูฟังฟังฟัง เดยวไปนิพพานยังยัดเยียดกันไม่ได้ของพวกนี้ต้องอยู่ที่เจ้าตัวเขาเองว่าเขาต้องการหรือไม่เจ้าค่ะจากคุณสิริพันธ์กราบเรียนพระอาจารย์ถ้าเราฝึกสติด้วยคําว่าพุทโธควรกําหนดไว้ที่ใดคะที่คําว่าพุทโธไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องอยู่ที่จมูกไม่ต้องอยู่ที่ตาที่หูให้อยู่ที่คําว่าพุทโธให้รู้ว่าตอนนี้กําลังมีพุทโธอยู่หรือไม่มี เๆๆชิญพูดใกล้ๆปากนะการนมัสการเจ้าค่ะนั่งๆเลยไมค่อยด้ยินค่ะคือโยมเอ่อคือโยมเห็นทุกแล้วแล้วก็เห็นว่าวัฏฏะนี้น่ากลัวเจ้าค่ะก็เลยฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติเพียรปฏิบัติผิดผิดถูกถูกมาเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ก็สัมรวมในศีนแล้วก็เจริญสติเพียรเจริญสติอยู่ตลอดแล้วก็เอ่อเห็นว่าเห็นว่าความคิดอ่ะ เห็นว่าทุกอย่างอ่ะมันความคิดอ่ะมันทําให้เราเกิดอารมณ์แล้วโยมก็เลยมาพยายามที่จะหยุดความคิดโดยการเห็นลมคือเห็นรู้ลมให้เพียนตลอดอะค่ะทีนี้เมื่อเราเพียนไปเห็นไปเยอะๆก็จะเห็นว่าไอตัวความคิดเนี้ยเห็นเป็นแวบๆนะคะว่ามันเฮ้ยมันเหมือนไม่ใช่เรานี่นาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่บางทีเราก็หลงไปเป็นมันอีก อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้บางทีก็รู้เร็วบางทีก็รู้ช้าแล้วบางทีก็ในความที่รู้ช้าบางทีก็สงสัยว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงให้มันรู้ช้าเราหมายถึงว่าบางทีเหมือนความรู้สึกตัวเองมาสํารวมมาพิจารณาตัวเองว่าสงสัยเราจะขาดสมาธิหรือเปล่าประมาณนี้เจ้าค่ะไม่ทราบเห็นถูกหรือผิดยังไงาขาดสมาธิต้องหยุดมันให้ได้พอรู้แล้วต้องหยุดมันให้ได้ถ้าไม่มีสมาธิก็หยุดมันไม่ได้ เ็าไม่ฝึกสมาธิทำใจให้นิ่งโยมคือเวลาทำสมาธิในรูปแบบอ่ะมันไม่ค่อยนิ่งแต่โยมก็อดทนไปอะค่ะแต่ว่าในชีวิตประจำวันอ่ะจะตามดูตามดูกายร่างกายท่อนนี้เวลาทำงานอะไรก็จะตามดูตลอดเจ้าค่ะาการนั้งเป็นการฝึกสติออถ้าดูตลอดเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้เจ้าค่ะแต่การดูเฉยๆออมันยังไม่ทำให้จิตสงบได้ แบบนัะค่ะขอบคุณเจ้าก่ะมีอีกไหมมีเจ้าค่ะมีจาก Facebook เจ้าค่ะพอาจารย์จากคุณสุภาพรเมื่อก่อนเข้าสมาธิเกิดปิติสุขมากแต่ปัจจุบันเมื่อเข้าสมาธิมีอาการจะนิ่งๆเฉยๆมาหลายเดือนแล้ว ต้องปฏิบัติอย่างไรต่อคะขอความเมตตาเจ้าค่ะก็ปฏิบัติตามเดิมอย่าอย่าไปหวังว่ามันจะต้องเกิดปิติสุขทุกครั้งไปเพราะปิติสุขบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดได้แต่สิ่งที่เราต้องการจากการปฏิบัติก็คือให้จิตนิ่งสงบให้วางเฉยให้มีความสุขจากการนิ่งสงบเท่านั้นก็พอ เช้าค่ะจากเฟซบุ o กเจ้าค่ะควรสอนเด็กๆที่ไม่เคยนั่งสมาธิให้นั่งสมาธิแบบดูลมหายใจเข้าออกโดยไม่ต้องภาวนาพุโทโธหรือให้ภาวนาพุโทโธควบรวมหายใจดีครับสอนตัวเองก่อนเถอะไม่่ไปสอนคนอื่นตัวเองยังสอนไม่ได้ไปสอนคนอื่นได้ยังไงจากคุณใบ ย, ยจกจ้ะค่ะจิตรวมจนเป็นหนึ่งแล้ว พอเห็นสิ่งต่างๆไม่ปูนแต่งจิตยังเป็นหนึ่งกับลมออกมาสักพักคิดสลับกับพุทธานุสติผลที่ได้มิใช่ปฏิหารแต่หรือความเย็นของจิตถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าขะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ทำใจให้เย็นให้สบายเจ้า่ะจากคุณสุกัญญาแม่หลงลืมเราจะอยู่กับท่านอย่างไรให้บาปน้อยที่สุดแลวเราไม่ทุกข์เจ้า่ะ เฉยๆไปไม่ต้องพูดไม่ต้องทําอะไรที่เราไม่จําเป็นจะต้องพูดไม่ต้องทําทําหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูท่านไปก็พอเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคไม่มีคําถามก็หมดเวลาพอดีสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ